การตายของมนุษย์นั้นเราแบ่งออกเป็น2 อ, อย่างนะครับคือการตายตามวาระหรือตามอายุไขนี้นะครับอย่างหนึ่งกับการตายแบบก่อนกําหนดนะฮะอย่างหนึงาการตายก่อนกาหนดนี่คือการตายแบบ อ, อัตตาพิบัติกรรมฆ่าตัวเองนะฮะโดดน้ําตายกินยาตายผูกคอตายประเภทนี้เราถือว่าตายก่อนกําหนด ถามว่าวิญญาณทั้งสองแห่งทัสงสองอย่างเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยจะไปที่เดียวกันไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าคนละที่นะครับเพราะว่าคนที่ตายก่อนกําหนดนั้น่ะอ่าเขาจะต้องไปอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่เหมือนกับที่ทางผู้ที่ตายไปแล้วตามอายุไขนะฮะผู้ที่ตายตามอายุไขนี่ก็ไป รับใช้กรรมตามนรกตามสวรรค์ไปเลยนะครับแต่สาหรับผู้ที่ตายก่อกําหนดนี้จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ในสามแห่งนะครับคือพื้นที่หนึ่งะฮะคือพื้นที่ที่เป็นป่านะฮะเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็ตัวเองก็เดินอยู่ในพื้นที่จํากัดทัานหนึ่งนะฮะมีถนนไม่ย่างเินลูกลังแต่ว่านิ่มมากนะฮะเดินไปเดินไปเสร็จแล้วก็ หาทางออกไม่ได้ก็ป่าบันทึกย์นะฮะนานๆก็จะมีรถวิ่งมาสักคันหนึ่งนะฮะเมื่อรถวิ่งมาถึงนี่นะครับเขาเขรับเราขึ้นไปอันนี้พอเราขึ้นไปเสร็จเนี่ยพ้นปกติถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะนั่งดิ้พื้นนะฮะแต่ว่าพวกนี้วิญญาณพวกนี้นะฮะเส้นหน้าบนบนหลังคารถบนขอบกระบะรถมันแปลกกันนะฮะไม่เหมือนกับที่ดนะพื้นพื้นโลกเราเนี่ยนะฮะคราวนี้วิญญาณของพวกนี้นะครับพอไปถึงอ ที่แห่งหนึ่งกับที่ทเป็นโรงทานเขาก็จะทานข้าวกันแต่ว่าข้าวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ข้าวของคนที่ทําบุญตามที่เรากล่าบมาแล้วนะครับเขายังไม่ได้ทานนะฮะข้าวพวกนั้นเพอะตอนนี้เขาเป็นผีอยู่สิ่งที่เขากินอยู่นั้นเขาจะต้องใช้อ า, อาหารจากผู้ที่มีจิตใจบุญสูนทานแล้วก็ทํามาแล้วก็เอามาไว้ที่ทางสามแพร่งเขาถึงจะได้กินนะครับ พอกินเสร็จแล้วเขาก็เดินทางไปเพื่อจะหาทางออกจากป่าแต่เขาก็กลับไม่ได้จนกระทั่งเ้าหมดอายุขัยนมนุษย์นะฮะแล้วก็จะมีคนมารับเข้ากลับไปนี่เป็นวิญญาณของผู้ที่ตายก่อกําหนดประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองก็เขาเขจะถูกาาการชักชวนนะฮะจากคนที่เขาไม่รู้จักนะฮะแต่เขาก็ไปนะฮะคนคนนี้ก็จะพาวิญญาณนี่นะครับไปขึ้นเขา ตามสวยงามของเขาทําให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยจนกระทั่งคนที่พามาขึ้นเขาอะหายไปแล้วเขาก็หาทางลงไม่ได้เมื่อหาทางลงไม่ได้เขาก็อยากจะกลับไปบ้านแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะว่าเชะโงกหน้าดูที่ไหนมันก็เป็นหุบผาเป็นเหวนะเพราว่าตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าตัวเขาตายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กล้าเดินลงมาทางหน้าผาทางภูเขาเนี่ยอากลัวตกตายอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสงสารมากครับ วิญญาณพู้นี้จะเดินแล้วก็ร้องไห้อยู่บนเขานะครับเป็นเวลาาเท่านานนะครับแล้วเขาที่ว่านี่ก็มีอากาศเย็นสบายนะครับมีเมฆแล้วขาวลอยมา ใ, ใกล้ๆตัวนะฮะตลอดเวลาคราวนี้วิญญาณน่ะประเภทนี้ฮะที่ไปทนทนทุกข์ทรมานอยู่ก็อีกแห่งหนึ่งก็คือบ้นค่ะว่าเขาชอบเป็นเจดีนะครับเขาจะเป็นในเจดีนะฮะเป็นอยู่นบนยอดเจดีเลยแต่เขาลงไม่ได้ เพราะว่าเจดีนั่นมันอยู่บนหน้าผาสูงชันนะฮะตัวเขาเองเขายังม่รู้ว่าเขาตายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาจะลงเนี่นะครับเขาก็กลัวว่าจะตกจากเจดีมาแล้วก็ตายดันั้นเขาก็อร้องให้คนช่วยฮจงกระทั่งอายุไขัยเขาในมือมนุษย์หมดนะครับก็จะมีอ่าอยมาทูตนะฮะจากนรกจากสวรรค์ก็มารับเข้าไปแนละ้วจะ ก, กรรมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ เราพูดถึงเรื่องวิญญาณนี่นะครับก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนที่ทำกรรมชั่วนี่นะครับมีความเศร้าโศกเสียใจมากนะครับความรู้สึกของคนที่ตายไปแล้วนี่นะครับเขาเขาไม่ห่วงนะครับว่าเขาจะไปที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้แล้ว มีทางเดียวแค่นั้นเองคือก้มหน้ารับกรรมไปเพราะฉะนั้นเราอยู่หลังเนี่นะฮะเรายังมีโอกาสที่จะทําบุญเราก็ทําซะนะครับผมเน้นตรงนี้นะครับว่าท่านต้องทําบุญนะครับอา่าเรื่องที่ผมจะคุยต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายน่าอยากจะฟังกันนะครับนั่นคือเรื่องการไปนรกแล้วก็านไปสวรรค์ผมจะเล่าเรื่องเรื่องนี้ซะเลยนะครับ คือเมื่อประมาณวันที่8มีนาคมนะพุทธศักราช2528ตอนนั้นก็ผมก็ป่วยเป็นโรคไตาวายนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ได้เข้ามารักษาแล้วตอนนี้ก็เป็นการป่วยครั้งที่สองผมก็มาอยู่ในห้อง609ซึ่งเป็นตึก8ชั้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นห้องพิเศษเดียว แต่เป็นห้องพิเศษคู่นะฮะเป็นห้องพัดลมวันนั้นก็เวลาประมาณ 8.30 ผมรู้สึกว่าผมแน่นที่หน้าอกนะฮะแล้วก็หายใจไม่ออกพยาบาลที่ดูอยู่ก็เห็นว่าผมมีอาการไม่ทุ่ดจะดีนะก็ไปตามหมอครับหมอก็มากันสองคนนะครับมาเสร็จแล้วก็มาถามผมว่าผมเป็นอะไรนะฮะ ก็บอกว่าผมแน่นหน้าอกครับแน่นออกแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกฮะพอผมพูดแค่านี้นะครับผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับไม่รู้สึกตัวเลยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยหลับไปในลักณะนั้นนะแต่ความจริงอ่ะหัวใจมันหยุดเต้นนะครับเพราะมันหายใจไม่ออกหัวใจก็หยุดเต้นผมผมไม่แน่ใจนะะว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่านอนหลับหรือว่าหมดลมไปนะฮะ นานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ผมมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่มีคนมาเรียกผมนะครับ<ม>ก็มาเรียกผมบอกว่าปัญญสนะจินตลัตบัดนี้ท่านตายแล้วขอท่านมาทางนี้นะครับผมรู้สึกตัวว่าผมลืมตาขึ้นมานะครับแล้วผมก็มองมาทางถึงที่คนที่เรียกผมแต่ผมก็หาไม่เจอนะว่าเขาอยู่ที่ไหนผมก็แปลกใจมากนะครับ แต่ว่าอํานาจที่เขาเรียกเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอํานาจเหลือเกินฮะแล้วเราก็กลัวเขามากที่สุดเลยในเวลาเขาเรียกเราเพราะฉะนั้นผมูเลยถึงลุกขึ้นนะฮะลุกขึ้นแต่มันแปลกฮะเวลาลุกขึ้นเนี่ยตัวผมมันไม่ไม่หนักฮนะรู้สึกตัวผมมันเบานะครับผมดูตัวเองนะครับผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นตัวโปร่งแสงไม่มีร่างกายผมที่นะครับไม่มีกระดูกไม่มีสมองไม่มีตับ ไม่มีไตไม่มีมาไม่มีไส้ทั้งสิ้นเลยนะครับตัวผมสีขาวขุ่นเหมือนพลาสติกสีขาวขุ่นนะฮะผมมองดูล่างผมที่ผมนอนอยู่บนเตียงนะฮะก็รู้สึกว่าร่างผมนี่ไหวไหม้ไหวติ่งเลยก็มีหมอมีพวกพยาบาลก็กําลังสนใจในการที่จะช่วยชีวิตผมนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดกับผมเลยนะครับผมรู้สึกวังเวงนะอ้างว้างแล้วก็เปล่าเปลี่ยวมาก เดินตามเสียงของคนที่เรียกนะครับแล้วก็ผมก็มายืนอยู่นะฮะไอ้ตรงคนนอนจริยงที่ในโรงพยาบานนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เสีงนั้นก็สั่งบอกว่าพณะ น, น, นี้ท่านต้องเชื่อฟังคาสั่งของเขาเขาสั่งยังไงนะฮะก็ต้องเชื่อเขาอย่าขัดขืนอย่าปฏิเสธเด็ดขาดเลย เขาบอกว่าขนาดเนี้ผมตายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงญาติพี่น้องเป็นอันขาดนะถ้าหากว่าจะคิดถึงก็ร้องไห้ไปนะครับพร า, าผมจะต้องเดินทางไปอีกไกลนะครับพราะจะาผมไปแล้ว ในช่วงนี้ผมก็ยืนร้องไห้นะฮะร้องไห้โฮเลยยืนร้องไห้เป็นคนเดียวนะครับนานมากนะครับเราก็หยุดเองพอผมหยุดร้องไห้นะครับเขาก็บอกว่าเห็นแผ่นแก้วไหมแผ่นแก้วสีขาวที่อยู่ตรงขวามือก็บอกเห็นเ้าบอกตอนนะัให้ไปนอนแล้วก็ให้อย่าได้เหลือซ้ายอย่ได้แลกขวาแล้วก็อย่าได้หันหลังโดยเด็ดขาดนะครับ ในระหว่างเคลื่อนที่ไปนี่ก็ให้ดูที่เท้าเฉยๆนะครับให้ดูที่เท้าปลายเท้าน้องเฉยๆอย่าอย่าไปได้แค่เด็บมองซ้ายมองขวานะครับเสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นไปบนแผ่นกระจกในแผ่นแก้วนี่ที่ว่านี่นะครับแผ่นแก้วมันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปขึ้นที่ขึ้นไปนะครับในระหว่างที่เคลื่อนที่ขึ้นไปนี่ผมก็รู้สึกว่าผมตัวเบานะฮะแล้วก็ มีความคิดถึงญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังมากเหลือเกินเพราะว่าเราจะต้องจากมาโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะจับไปพบกันอีกแล้วเราจะต้องเดินทางไปคนเดียวพอเกิดความป่าเปลี่ยวความอ้างว้างความอะไราอาวร น, นะครับในสิ่งที่เราเคยมีความสุขอยู่ในโลกลบนุษ์แผ่นแก้วลอยขึ้นลอยขึ้น ก็มเีเสียงพูดบอกว่านี่เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่ชั้นที่สองนี่ชั้นที่สามที่ชั้นที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงชั้นที่ยี่สิบเจ็ดพูดถึงเรื่องสวรรค์นี่นะครับท่านอาจจะสงสัยว่าสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับที่ผมไปเห็นมานะครับมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดชั้นแต่ว่าทางศาสนาของเรานี่ จะแบ่งเป็นกี่ชั้นอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ผมไปเห็นมาแล้ว27ชั้นนะครับผมเนี่ยแบ่งสวรรค์ออกเป็นสามในสามลักษณะของผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็มีกายฮะที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าหากใครมีกายหยาบผมก็เห็นว่าเขาอยู่ในลักษณะของชั้นที่หนึ่งชั้นที่ห้านะครับแล้วก็ผู้ที่มีกายละเอียดนั้นเขาจะอยู่ตั้งแต่ชั้นที่6กถึงชั้นที่สิบ กายละเอียดนี่คือประเภทตัวเป็นพืชถูกโปร่งแสงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตัวเป็นพลาสติกขุนนะฮะขาวขุ่นจนกระทั่งขาวใสนะครับจะอยู่ชั้น6ถึงชั้นสิบแล้วก็ตั้งชั้นสิบขึ้นไปนี่นะครับก็จะเป็นผู้ที่มีกายแบบกายทิพย์นะครับผู้กายทิพย์นี่จะไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เห็นเหมือนอย่างกับกายละเอียดกับกายยาบนะครับอันนี้ผมขอจใจตามนี้ด้วย แล้วก็สวรรค์ตั้งแต่หลาชั้นนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับสวรรค์ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้านั้นนะฮะสภาพความเป็นอยู่ของของคนที่ตายไปแล้วนะครับที่เขาเขาอยู่ในชั้นนี้นะครับเขามีการกินกันอยู่การนอนนะครับเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างนะครับอันนี้สวรรค์นเนี่ยนะมันต่างนรกนะฮะคือนรกเนี่ย มันมีการบังคับขู่เข็นนะครับมีการลงโทษต่างๆนาน า, นาแต่ว่าสวรรค์นี่ไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็สวรรค์เนี่ยมีอิสระเสรีหลายอย่างนะครับแต่ว่าในโลกเนี่ยฮะมันรวมในความทุกข์ทรมานสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งความเจ็บปวดสองควา ม, รรมอดอยากนะครับแล้วก็สามความทุกข์ทรมานมันมีอยู่สามอย่างครับ ซึ่งมันต่างกับของสวรรค์นะครับในสวรรค์ชั้นที่6ถึงชั้นที่10นี้ก็ตัวจะเป็นวัตถุโปร่ปรงแสงแล้วก็เขาก็จะทานกันลักษณะของการอิ่มทิพย์นะครับการอิมทิพย์นะครับสำหรับชั้นที่ชั้นที่11ขึ้นไปถึงชั้นที่27นั้นนั่นเราไม่สามารถไม่สามารถมองเห็นรูปร่างนะฮะของกายทิพย์ได้นะฮะ ผู้คนประเภทนี้เนี่ยทำบุญไว้มากเหลือเกินนะครับเมื่อเวลาเขาตายลงมานี้เขาก็อยู่ในสวรรค์ตั้นจากชั้นสิบเ็ดถึงชั้นยี่สิบเจ็ดท่านเชื่อหรือไม่ว่าสวรรค์ตั้งแต่ชั้นสิบ็ดถึ ง, ช, งชั้นยีิบเจ็ดนั้นสวยงามมากสวยงามจนที่เราไม่สามารถที่จะพรรณนานะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่นั้นนะครับมันต่างกับบ้านที่อยู่ตามสวรรค์ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบนะชั้นสิบเด็ดถึงชั้นยีิบเจ็ดนั้นหลังคาปราสาทดีๆนี่เองครับ แสงทองเนี่ยจับไปทั่วนะฮะฟาร์มสว่างสวยนะครับแล้วเราจะได้ยินเสียงนะฮะได้ยินเสียงของผู้ที่สวดมน์นะครับดังไปทั่วเลยนะครับมันผิดกันกับสวรรค์ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบนะครับแต่จากชั้นหนึ่งชั้นสิบนี่เราจะได้ยินเสียงสุดแต่น้อยมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงกเงียบยังมีแต่ฟาร์มเงียบแต่นั้นเองครับ สิ่งหนึ get, <calculated S 2> ่งท <acion> <c oughs> ี่ผมเห็นนะครับข้างบนสวรรค์นี่คือดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้ในเมือมนุษย์นี่นะครับมันจะออกส่วนหนึ่งแล้วก็ใบอีกส่วนหนึ่งแต่ของบนสวรรค์นี่นะครับใบของไอ้ต้นไม้นี่นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแล้วก็ดอกนี่นะฮะมันจะออกตรงกลางใบนะฮะเป็นสีเนื้อเหลืองอ่อนนะอออกกลางใบเพียงลมหายใจแล้วก็เราเดินผ่านนิดๆหน่อยๆนี่นะครับ มันจะทําให้กลิ่นของอดอกไม้บนสวรรค์นี่นะครับฟุ้งกระจายไปทั่วเลยครับหอมชื่นใจนะครับหอมชื่นใจมากเหลือเกินนะครับมันเป็นกลิ่นหอมซึ่งเรียกว่าเราไม่เคยพบมาเลยนะฮะอันนี้กลิ่นหอมที่ว่านี่ น, นะครับมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับกลิ่นหอมที่ผมได้กลิ่นมาตอนที่ผมมาบดลมไปครั้งแรกเมื่อตอนปีสองห้าหนึ่งสามครับ กลิ่นนี้หอมนะฮะอบอบอวนไปทั่วนะฮะทุกชั้นเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ประสาทเลยว่าบ้านที่เราเรียกว่าบ้านนะครับมันโอลานโอโถงแล้วก็มันมีฟาร์มสุขมีฟาร์มสบายนะครับเหลือเกินนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยนะครับไปอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นยี่สิบเจ็ดเนี่ยเราลืมตัวไปนะฮะเราก็คิดว่า เป็นที่อยู่ของเราเขาก็เลยมาไล่ครับเขาเนี่ก็คือเสียงคนที่เข้าบังคับเราตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วเราจะต้องกลับไปอยู่ที่ในชั้นของเราซึ่งเขาบอกว่าบารมีผมนั้นมีแค่ชั้นเจ็ดเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่อยากไปนะครับอีออนออดเพราะว่าความงามของมนุ์สวรรค์นั้นตั้งแต่ชั้นสิบแปดถึงชั้นยี่สิบ็ดนั้นมันงามบอกไม่ถูกนะครับบอกไม่ถูกมากเลย ในระหว่างทางนี่นะครับผมก็เห็นนะฮะทางซ้ายนะครับผมเห็นนะครับเห็นนรกครับท่านยงสงสัยนะครับว่าทำไมนรกนะฮะถึงมีในช่วงที่ไปสวรรค์พร้อมๆกันคืออยากจะบอกว่าไอการที่เราเนี่ยนะครับได้ไปเห็นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกมากการที่เราอยู่บนพื้นโลกมนุษย์นี่นะะการเห็นเรา เราจะเห็นสิ่งนั้นกระตัวมันอยู่ใกล้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในเมื่อเราไปสวรรค์นเนี่ยไอภาพที่เราเห็นนั้นมันจะมาปรากฏที่ใกล้ๆเหมือนอย่างที่เรายืนอยู่ขอบขอบรูปแล้วขอบภาพนั้นเลยนะครับเเขาผมว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนรกนี่นะครับผมก็ไม่อยากล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทรมานแล้วก็ มีแต่เสียงร้องของคนนะฮะโหยหวนมากเลยผมเห็นคนจนํานวนมหากนะฮะแต่งตัวในลักษณะของอคนตายที่มัดตาสังนะครับไปเดินกันไปนะฮะเดินจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนยิ่งกว่าให้การเดินกากุศลนะเบียดเสียดยัดเยียดกันแหลือเกินถ้าเดินออกไปเพื่อจะไปสู่นรกครับเพราะว่าคนในเมืองมรุษนั้นสร้างบาปสร้างกรรมมากเหลือเกินเพราะฉะนั้น เอเวลาเขาตายนี่เราจะเห็นเขานีฮะแย่งกันเดินนะฮะลงแลลุกกับเห็นแล้วเป็นที่น่าสังเวชมากน่าเวทนาเหลือเกินเพราะว่าเขาร้องไห้กันทุกคนนะครับสําหรับผู้ที่มีบาปนะครั บ, บนียกตัวอย่างที่ผมเห็นนะครับผู้ที่มีบาปมากนี่นะครับคือผู้ที่ก่อกรรมทํำเพนทําเข็ น, นในเมือมนุษย์เนี่ยเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระทําร้ายพระ หรือว่าทรมานสัตว์นะข้าผู้มีพระคุณเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาตายนะจะถูกทรมานมากเหลือเกินนะครับอย่างคนที่ อ, อย่างคนที่โกหกพูดปดมากๆอย่างนี้นะครับก็ก็เขาจะเดินนะฮะเดินไปแล้วก็กัดลิ้มตัวเองนะฮะเพราะลิ้น ม, มันยาวเหลือเกิน นะครับลิ้นยามากนะครับเขาต้องกัดลิ้นประกัดลิ้นเสร็จเท้าก็จะร้องความเจ็บปวดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอีกทวกหนึ่งก็ผมเห็นคนนะฮะปีนนะฮะปีนต้นต้นต้นเหล็กนะฮะต้นหนามเหล็กแต่จะเลือกต้นนี้มันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันไม่มีใบนะครับแต่ว่าต้นนี้มันเป็นเหล็กนะฮะสีน้ําตาลไหมมีหนามแหลมออกเต็มนะหนามแหลมเป็นเหล็กนะฮะออกเต็มเลย เวลาเขาปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาปีขึ้นไปด้วยฟาร์มเป็นสุขนะครับเขาแก้ผ้านะครับเขาปีขึ้นไปแล้วเขาหัวเราะนะครับแต่พอเวลาเขาลงเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับตอนปีเพราะตอนลงนี่นะครับมันคือตอนขึ้นเหมือนมนุษย์ปีต้นไม้นะครับแต่ตอนลงนี่มันก็กลายเป็นอ่าเป็นเป็นคล้ายๆเป็นลิงเนียฮะเป็นลิงก็นี้ลิงเวลาลงต้นไม้นี่นะครับเราจะเห็นว่า ลิงมันมีหางนะฮะเวลาตัวมันจะตกมันจะาหางเนี่ยอ่าลัดต้นมไม้ว่ากิ่งมไม้ว่ามันก็ทาให้มันล่วงลงมาช้าใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์เนี่ยที่มาตกะรกนี่แล้วเนี่นะฮะเวลาเอาหัวห้อยลงมาแล้วก็ปีนลงมาเนี่ยโบถ้าลองนึกภาพดูครับมันทรมานแค่ไหนเพราะว่าไอ้หนามแหลมคมนะฮะของเหล็กนะครับมันบาดตัวแล้วเลือดเนี่ยออกนะฮะแดงฉานไปทั่วนะ มันเกิดฟาร์มเก็บปวดนะคนที่ปีนลงมานี่ก็ร้องนะครับอันนี้เป็นขณาจะเป็นน่ะผู้ที่ทําผิดในพวกเรื่องกาเมนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงพวกเรื่องบุษฐานี่กาเมนะครับคร น, นี้คนที่อฆ่าสัาาตว์ตัดชีวิตนี่นะครับส่วนมากก็จะอจะถูกเคี่ยนถูกตีนะครับถูกเคี่ยนถูกตีคร น, นี้การถูกเคี่ยนตีของเขาเนี่ยขึ้งบน แตนรกนี่นะฮะเวลาถูกตีเนี่ยเขาจะใช้ไม้นะฮะยาวประามาณสองแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้เขาใช้เป็นหวายดีๆเองเขาจะตีนะฮะพอตีเสร็จเนี่ยคนเนจะจ ะ, ะร้องโวยหวนนะฮะร้องตั้งแต่สามโมงเช้าจนไม่ทั้งถึงสามโมงเย็นพอถึงสามโงเย็นพอเราสุดสุดการร้องเนี่ยนะครับเขาก็จะมาเขียยตีต่อ และบุคคลนั้นก็ร้องโหยหวนอาทิในนรกนี่นะครับที่ผมเห็นเขาไม่ได้นุ่งผ้านะครับเขาแก้ผ้าแก้ผ้าทุกคนนะครับแต่ที่เราไม่เห็นไวัยประเภทเพราะว่ามันผอมเหลือเกินลักษณะ ข, ของแต่ละคนนะั้มันผอมมากครับเป็นหนังหุ้มกระดูกนะฮะคล้ายๆเป็นกระดูกของคนเดินได้นี่เองนะครับสีหน้าของแต่ละคนนั้นแสดงถึงความเจ็บปวดนะฮะ บ, บางคนนีนอ้าปากมาจะเห็นว่าเป็นเลือด แดงในป่าเต็มหมดเลยนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับนั่งอยู่นะฮะสี่ห้าคนผมเห็นคนกลุ่มนี้นะครับมีความสุขมากเขาหัวเราะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ขณะเดียวกันนะฮะข้างๆตัวเขามีกระทะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สีแดงนะฮะกระทะนะฮะเป็นกระทะเหล็กนะครับสีดําก็มีไฟสุม่มเสร็จแล้วก็เขาก็จะตักน้ําเป็นสีนเมือกนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองเป็นบุ้นๆนะครับตักมาแล้วก็ใส่ ใส่ถ้วยนะฮะใส่ถ้วยมาแล้วก็ให้คนประเภทนี้นะครับกินพอเวลาเขารับมานะคะับ mm hmm. เขาก็ mm hmm. เขากินนะฮะพอกินใจเขาก็ร้องร้องแล้วก็ดิน้นเพราะว่ามันร้อนนะครับ mm hmm. เา้าเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะสำหรับคนที่กินเหล้านะครับคนที่กินเหล้ามักจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปผมเห็นคนที่โกงที่ดินนะครับคนโกงที่ดินนีนะครับเขาจะเอามือในแบกดินนะฮะสองข้าง เสร็จแล้วเขาก็ร้องว่าอย่างนี้ครับเขาล้องบอกว่าโอ้ยดักเหลือเกินกันดินใครนะฮะเอาไปเถอดใช้ไม่ต้องการแล้วนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับผมไม่ทราบว่าเขาไปโกนดินใครมานะครับแล้วเขาก็ร้องว่าโอ้ยเป็นดินดนี่หนักเหลือเกินของของใครก็เอาคืนไปเถอดใช้ไม่ต้องการเขาบ่าอย่างนั้นนะครับสําหรับผู้ที่ออ่าสําสหรับผู้ที่อ่า ทำบาปอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเล่าออไปมันก็มันเยอะและเกินครับแล้วก็เขาสั่งห้ามผมไม่ให้เล่าเรื่องไปนรกนะครับผมเห็นคนประเภทหนึ่งครับเอาเทียนจุดไว้ที่มือแล้วพอเวลาเทียนดับก็ร้องโหยหวนนะครับก็อยู่ในพื้นที่แคบๆหยู่บนดินแคบๆนะครับสําหรับคนที่ทําบุญเอาหน้านะครับประเภททําบุญเอาหน้าทําบุญออกทําบุญกากุศลโดยไม่ตั้งใจนะฮะ อันนี้เวลาที่พวกนี้ตายไปแล้วนะครับเขาก็จะได้รับผลอไม่มากนะครับคืออย่างนี้ครับคือผมเห็นคนนะฮะเขายืนกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับผมผมเห็นว่าพ้นพวกนี้ครับเมื่อสัปไห้ที่เขามีชีวิตอยู่เขาํารวยมากนะครับแต่ว่า เขาไม่ค่อยมีเวลาทำบุญแต่ว่าถ้าหากเวลาทำบุญแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องทำบุญแบบที่เกว่าต้องมีนักัสืบพิมพ์มาถ่ายมีทีวีมาถ่ายหรือว่ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเขาจะได้มีหน้ามีตาบุคคลประเภทนี้นะฮะเมื่อเวลาตายไปแล้วเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เพียงไอ้กลวดทรายสองเม็ดนะฮะแล้วก็ข้าวสุกเหมือนอย่างที่เรากินไก่เลือดหมูต้มนะครับถ้วยเดียวครับ บุคคลผู้นี้จะยืนเป็นกลุ่มๆนะฮะและจะเรียกเราเข้าไปดูสมบัติเขาเขามีความภูมิใจมากนะฮะเขาหัวเราะจดแล้วเมื่อเวลาเขาให้เราดูของของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะร้องไห้เหมือนเดิมะฮะอันนี้เหมือนหนึ่งหน้าเวทนาบ้างนะครับสําหรับผู้ที่ทําบุญเอาหน้านะครับอันนี้จะเชื่อและไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ผมก็พูดไปตามที่ผมเห็นนะครับคราวนี้ผมกลับมาตอนที่ แผานแก้นี่นะครับเมื่อพาผมไปสวรรค์ชั้นยบเจ็ดแล้วก็พาผมมาส่งที่สวรรค์ชั้นเจ็ดเพราะว่าบุญกุศลผมทานั้นอยู่มีแค่สวรรค์ชั้นเจ็ดนั่นเองทงี่สวรรค์ชั้นเจ็ดนี่นะครับท่านก็อาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างกันไมมกับสวรรค์ชั้นอื่นมันแตกต่างกันมากครับคือบ้านผมนี่ฮะเป็นบ้านไม้นะฮะเป็นเป็นบ้านไม้แล้วก็มีมุกย่สามสามแห่ง นะครับแต่ว่าพื้นเป็ น, พ, นพื้นไม้สักนะครับมันปลาบเลยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้อยู่ในครบถ้วนบริบูรณ์นะฮะอากาศก็เงียบบรรยากาศนี่เงียบนะครับแล้วก็ปานเงย็นของอากาศนี่ก็ประมาณสิบห้าถสิหองศ า, ศาเซลเซียสบ้านผมนี่มาชนไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับนหน้ า, าบ้านแล้วก็ประตูเข้าก็าเป็นไม้หนานะครับเป็นสีแดงนะฮะทาเรียดสีแดงแล้วก็ ฝุ่นละอองที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีฝุ่นละอองที่นี่มีฟาร์มสุขมีฟาร์มสงบนะครับเราจะได้ยินเสียงนะฮะเสียงสวดของพระนะครับซึ่งใน ต, ตอนนั้นนะฮะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็เป็นเดือ น, นมีนาคมพุทธศัการาชสองพั น, นะครับในช่วงนี้ผมยังไม่ได้บวชนะครับผมบวชในเสาสิบเอ็กันาคดา2528เพสอะก็นั้น ผมก็จดจํานะฮะที่พระที่ผมได้ยินภาสวดปนสวรรค์ชั้นเจ็ดที่ผมไี่อยู่นี่นะครับผมก็ผมก็จำได้ว่าเขาขึ้นต้นหน่ยใช้ยาสนาคาตาอะไรพวกนี้ฮะมีอยอ่างอะไรพวกนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นบทสวดอะไรแต่ว่าเมื่อตอนผมบวชเป็นพระแล้วผมก็รู้ว่าบทสวดอันนี้ก็คือชินะบันชร นะครับทีนแบัญชอนนี่ผมถามพ่อใหญ่แล้วนะฮะพ่อใหญ่ที่เป็นเจ้าว่าพระแม่เจ้าบอพิษถ้าก็บอกว่าแยบบัญชอนนี้นะครับเป็นแม่บทมงคลนะฮะในการที่จะสวดสวดนะฮะเป็นคาถาในครอบจักรวาลเนยขึ้นบันไมก็ได้นะฮะจะทำพิธีแต่งงานนะครับะจะทำน้ำมนต์หรือว่าจะทำงานศีิมงคลต่างๆนะครับ บทที่นาบันทอนนี่ทางพระท่านจะสวดตลอดเวลาอันนี้ผมมารู้ตอนนึ่ผมบวชที่หลังทีนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยมีความสุขเหลือเกินนะฮะที่ผมได้ <c oughs> มาอยู่ในสวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับผมลงจากแผ่นแก้วและผมก็เดินตรงมาที่บ้านผมนะครับในระหว่างนี้ผมก็เจอนะฮะผู้ชายสองคนผู้หญิงคนนึง้งก็แต่งตัวเหมือนกับชาวบ้านธรรมดานะครับ จะมีทีท่าอ่อนน้อมมากแล้วเขาก็ถามผมว่าถ้าผมก็ถามเขาว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมผมก็สงสัยบอกเอ๊ะบ้านผมเนี่ยนะฮะที่ผมอยู่ในมนุษย์มันเล็กกว่านี้นี่เพราะว่าผมกู้นะฮะกู้เงินสวัสดิการนะฮะของกองทัพ บ, บกมาเนี่ยแปดหมื่นบาทปลูกก็บ้านหลังนิดเดียวเองที่นี่มันล่าหลังใหญ่เลยเกิน เราก็มีกิเลสนะฮะว่าเราอยากจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่เราไม่อยากกลับไปอยู่ในบ้านในมนุษย์แล้วุษบ้านในมนุษย์มันเล็กนะคราวนี้ผมก็ถามบอกว่าผมทําอะไรถึงถึงได้บ้านหลังนี้คราวนี้เราอยู่ในสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วนะครับการพูดเนี่ยนะฮะจะไม่มีการตอบกันเหมือนอย่างเช่นในในในในโลกมนุษย์นะครับการตอบของเขาเนี่ยคือการที่เป็นการนึกเอาในใจนะฮะเรานึกเอานะฮะว่า เมื่อเราสมัยนะครับเราเป็นคนอยู่นะครับเราเป็นมนุษย์อยู่นั้นเราทำบุญด้วยอะไร นึกว่าผมเคยทอดกระถินนะฮะเคยทอดผ้าป่านะครับเคยสร้างกุฏิสงสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระอุโบสถนะฮะซื้อะเบื้องม ง, งคลาบทเอือหินปูนทรายเข้าวัดนะครับสร้างบ่อน้ําให้ให้วัดในระหว่างที่ผมพูดนึกนึกไปเนี่ยนะครับเขาก็พยักหน้ารับว่าสิ่งที่ผมทําไปเนะี่ยถูกต้องที่ผมนึกกนะ็ถูกต้องทุกอย่างด้วยผลบุญอันนี้แหละครับเขาเยังบอกว่า เมื <ítulo> ่อเวลาผมตายมาแล้วเจ้านายข้างบนนี่นะครับก็เลยให้บ้านผมหนึ่งหลังนะครับก็ให้บ้านผมหนึ่งหลังคราวนี้ผมก็ถามบอกว่าอาละคุณทั้งสามคนมาทําอะไรนะครับเขาก็บอกว่าท่านลองนึกดูสิครับว่าเมื่อตอนสมัยท่านเป็นมนุษย์นั้นน่ะท่านเคยช่วยเหลือใครไว้บ้างผมก็มนึกย์ดูฮะว่าเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กๆนั้น ผมเคยเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อนะฮะที่ไม่ใช้แล้วก็เอาไปช่วยเหลือเอาไปให้กับคนที่เขาประสบวัดอาเอาอะไรไฟไหมนะครับไฟไหมเวลาไฟไหมพวกนี้จะหมดเรื่องหมดตัวเลยผมก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยแทนที่เราจะเป็นแรกไอ้พวกถ้วยชามนะฮะเราก็ามาให้คนพวกนี้หน้าเดีวยวกันแล้วก็ซื้อพวกเนื้อเค็มพวกปลาเค็มปลาทูพวกนี้นะฮะเอาไปให้คนที่ถูกไฟไหม ผลบุญอันนี้เลยครับทําให้คนทั้งสามเนะ่ยฮะเขาบอกว่าเป็นหนี้เป็นคุณกันอยู่เขาก็เลยมาใช้หนี้ผมเขาก็มาคอยรับใช้ผมอยู่ในวันสวรรค์ชั้นเจ็แปลกไหมครับในระหว่างที้ผมคิดไปนะ่ยนะเขาค่อยยากหน้ารับไปนะครับว่าถูกต้องแล้วนะครับผมก็บอกว่าผมเดินทางมาเหนื่อยเหลือเกินนะครับเดินทางมานานแล้ว เพราะว่าได้ไปเที่ยวสวรรค์ชั้นยีบิบเจ็ดไร่ลงมาเรื่อยๆจนกระั้งถึงสองชั้นเจ็ดนี่ผมก็อยากจะเข้าบ้านนะเพราะว่านี่เป็นบ้านของผมก็อยากจะเข้าบ้านเขาก็บอกว่ากุญแจอังไม่มีเพราะว่า <c oughs> นายยังไม่ให้กุญแจมาเพราะฉะนั้นผมก็อยากจเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้เราเมื่อมือกินเดชแล้วเราก็อยากจะเข้าบ้านใช่มฮะเพราะบ้านมันมันน่าอยู่นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันมันรู้วิฟ้าสุดนั้นนหะครับ แล้วก็ <c oughs> บ้านมันก็ใหญ่นงะอันนี้นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะบ้านมันใหญ่นะครับเราทําท่าจะเข้าเขาก็กัดขวางเราไมา่ให้เราเข้าการพูดตา อ, อ่อนลองของเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นแข็งเกร้าวพอเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อเขากัดขวางเราด้วยวิธีนี้ไม่สําเร็จห้ามแล้วเรายัางจะเข้าอีกนะครับเขาก็เลยแปลงร่างจากมนุษย์ธรรมดานะครับเป็นสภาพของ แบบทหารผีฮะตัวใหญ่เป็นล่มเลยนะครับขาต้นตานฮะตัวสูงประมาณสักสิบเมตรยี่สิบเมตรถ้าขยักวัดแจ้งได้นะครับหน้าตาน่ากลัวนะครับผิวดำปึดเลยแล้วก็นุ่มผ้าแดงตอนนี้นะครับผมก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่ากลัวนะฮะกลัวมากเลยจากคนธรรมดาเลยนะครับเราก็กลายเป็นเลยมนุษย์จักเนี่ยรก็กลัวก็วิ่งหนีไปที่แผ่นแก้ว แผ่นแก้วก็พาผมเดินทางลงมาเรื่อยๆอ่างนะครับในระหว่างนี้ผมก็สังเกตว่าการขึ้นที่ผมนั้นมันต่างกันตอนที่ผมไปนะตอนที่ผมไปครั้งแรกนั้น ต, ตอนที่ผมนอนแผ่นแก้วนี่นะฮะแผ่นแก้วมันก็ลอยขึ้นไปในะสํานารของเท้าขึ้นที่ไปนะครับแต่ว่าขากลับกนี่ก็ขึ้นที่ไปทางทิศตะนะฮะทางทิศตะคราวนี้เมื่อแผ่นแก้วนี่นะฮะขึ้นที่มา เป็นเวลานานอันหนึ่งนะครับเ้าก็แผนแกงก็มาหยุดตรงที่สวรรค์ชั้นสองในที่สวรรค์ชั้นสองนี่นะครับผมก็ผมก็เห็นว่าออาคารบ้านเรือนนี่นะครับบ้านที่อยู่เนี่ยมันต่างกับที่ผมอยู่มากเลยเพราะว่ามันเป็นโรงโรงเรือนนะฮะเป็นโรงเรือนชั้นเดียวนะครับแล้วก็สีมันก็ออกสีดำดำคล้ำคล้ำนะครับ แล้วก็มีคนเดินไปไ ป, ไปมาเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผมก็เห็นเพื่อนผมนะฮะสิบคนเพื่อนผมสิบคนนี่ก็เป็นนั่นนี่นี0ร้อยรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าตายไปไปแล้วนะครับสิบคนนะครับก็มีนา่ทหารนะฮะร้อยโททวัตชัยรจชนาวิพาฒ์พันโททวัชัยเพยเพียน พันธีเจริญจ้อยทรัพย์พันโทวัชลกพงศพิสิธพันนะฮะเนี่ยร้อยประชุมพุกภักดีร้อยโทดีเล็นะฮะแล้วก็มีร้อยเอกสมสิงเปาอินนะฮะพวกนี้ตายไปแล้วนั้นนะครับตายทั้งในลาวในเวียดนามแล้วก็ตายที่ป่าปอคอตะพักเหนือเขาเป็นเพื่อนลุงเดียวกับผมเขาดีใจมากนะฮะเมื่อเห็นผม เขาก็มารับผมนะฮะบางคนก็ขับรถน้ำมาบางคนก็ขับเวทมาบางคนก็ขับรถแบบรับศพมานะครับตอนนี้ผมก็เคยพูดแล้วว่ า, าวิญญาณเนี่นะฮะเมื่อเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่นั่งที่ที่เบาะนะฮะรถเขาจะนั่งที่กระบะมันที่หลังคาไอ้อย่างผมนี่พอผมพอใจที่นรถน้ำผมก็นั่งบนรถบนแทงน้ําเลยครับและเพื่อนผมน ะ, ะคือปันโทวัชชัยเป็นเพลนี่แกก็ พาผมนะครับมาอย่างที่แห่งหนึ่งนะฮะที่เป็นโรงเตียงโรงเตียงเหมือนโรงทหารนะฮะแล้วก็ในที่แห่งนี้นะครับผมก็เจอเพื่อนผมอีกสิบคนนะครับเพื่อนผมสิบคนนี้ก็ผมเห็นนอนอยู่บนเตียงไม้นะครับนะฮะสิบคนนอนเรียงกันเป็นแถวเลยแต่คนสิบคนเนี่ยังไม่ตายนะครับคนสิบคนนี้หมายความถึง ผมไปเห็นอนาคตก่อนนะครับว่าสิบคนนี้จะต้องตายผมก็ถามเพื่อนผมที่ชื่อปันโทภาชลปุ่มวิตีพันธ์ที่ตายไปแล้วนี่ยครับผมถามบอกว่าเพื่อนในตระไปต้องมาคอยเทคแคร์เพื่อนสิบคนหลับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะทำไมต้องมาเอาข้าวเอาน้าให้เขากินเนี่ยมันคอยรับใช้เพราะอะไรเขาก็ตอบบอกว่าเพื่อนสิบคนนี้นะครับที่เห็นนอนบนเตียนี่นะฮะ เป็นผู้ที่มีอ่าเป็นบุญคุณกับเขามากะฮะคือปีหนึ่งพวกนี้จะให้ข้าวให้น้ําพื่กินอิ่มนะฮะหนึ่งวันผมก็สงสัยว่าเอ๊ะก็ให้ข้าวให้น้ํากินยังไงอิ่มหนึ่งวันนะฮะผมก็มันนึกขึ้นมาได้อ๋อคนพวกนี้เป็นกรรมการรุ่นนะฮะส่วนใหญ่เป็นกรรมการรุ่นคราวนี้กรรมการรุ่นของเราเนี่ยประเพณีปีหนึ่งเราก็จะต้องมีการกนเลี้ยงกันทีจริงใช่ไหฮะ ทีตอนเย็นเราจะกินเลี้ยงกันตอนเย็นที่โรงแรมไหนสักแห่งที่สโมสรใดสักแห่งเนี่ยตอนเช้าเนี่นะครับผู้ ก, กรรมการรุ่นเนี่ยนะเขาจะไปกันที่โรงพยาบาลสงฆ์เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลสงฆ์เสร็จแล้วเนี่นะครับ<ม>เขาก็จะมีการทําบุญเลี้ยงพระกันหลังจากเสร็จการทําบุญเลี้ยงพระแล้วนี่นะฮะเขาก็จะมีการบัคกสกุลนะฮะเพื่อนๆเหล่านี้ก็จะเอาชื่อของเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยฮะสิบคนเขียนชื่อแล้วก็ให้พระท่านบัคสกุลไป ผลบุญอันนี้ละครับถึงนะครับถึงครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่มีเพื่อนนะฮะ ร, รุ่มรุ่นจะเป็นเพื่อนชั้นมัธยมเชื่อเตรียมอุดมหรือว่าเป็นเพื่อนในลอใน้อในเรือในเรืออากาศในรถตำรวจหรือว่าในเพื่อนในหลักสูตรอะไรต่างๆนี่นะครับแต่าท่านเคยทําบุญมานะฮะเป็นประจำทุกปีเท่าไหร่เพื่อนท่านที่ตายไปแล้วเนี่ยขอให้ท่านทําตลอดนะครับ เพราะว่าผลบุญที่ท่านทำเน่นะฮะผมไปเห็นมาแล้วครับว่ามันถึงครับมันถึงนะฮะคราวนี้ผมก็บอกว่าผมเนี่ยเดินทางมานะครับเป็นเวลา น, านานแล้วมันก็เหนื่อยอยากจะนอนบ้างนะฮะอยากจะให้เพื่อนเนี่ยนะฮะพาไปที่จริงที่ซูเบตหน่อยเพราะว่าจะได้นอนอักผ่อนเขาก็บอกว่า เพื่อนผมคนนี้นะฮะที่ชื่อปันโทวัชรพงศ์วิถีพันธ์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าของเพื่อนยังไม่มีหรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยนะครับให้คอยไปก่อนผมก็พยายามตื้อเขานะฮะตื้อเขาจนกระทั่งเค้าเนี่ยต้องยอมพาผมไปดูผมก็เห็นว่าไอเศษไม้ที่ผมมีแต่สร้างมเตียงนอนให้ผมนั้นน่ะมีตะปูอยู่ตัวสองตัวแล้วก็มีคอนนะฮะอันเล็กๆอยู่อันหนึ่งซึ่มันทนําะไรไม่ได้เลยนะครับ มันก็จนปัญญานะครับผมก็เลยเดินกลับมาที่เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> <spe> นทั้งสิบคนเนีฮะที่ตายไปแล้วนะครับเพื่อนสิบคนนี่ก็มีท้ายทีท่าเศร้าโศกมากนะฮะพอตอนนี้ก็เขารู้ว่าผมจะต้องกลับเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจนะครับแต่พูดกับผมว่าอพาันเอกสนอจินตลัตบัดนี้ท่านต้องรีบกลับนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมจะต้องรีบกลับ ในเม year, level, ื halfway, his his ่อมาพาเรามาที่นี่แล้วนะฮะถ้าถึงเวลาก็จะต้องกลับทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆเขาก็รู้แล้วว่าผมจะต้องกลับไปมือมนุษย์ใหม่อีกทีนะฮะเขาก็เสียใจเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาต้อนรับผมเขาคิดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะจับไปมือมนุษย์แล้วเขาก็เสียใจนะครับเขาก็พาผมเดินผ่านนะครับเพื่อน อีกสิบคนที่นอนอยู่บนเตียงนะครับผมพยายามนะครับเดินและพยายามจําชื่อนะครับจําหน้าว่ามีใครบ้างนะครับเพราะผมเคยเถียงกับเพื่อนที่ชื่อพันโทไว้และพงว่าคนตา่างๆนี้ยังไม่ตายแต่ว่าพันโทไิ้ พ, พงบอกว่าตายแล้วในเมื่อเมื่อเขาบอกว่าตายแล้กกวก็เราก็บอกโอเคเอาตายก็าตายแต่ความจริงเพื่อนสิบคนที่นอนบนเตียงนี้ยังไม่ตายนะครับเป็นเพื่อนรุ่มเดียวกันนะฮะเป็นนายทหาร จะประลอรุ่นดีกับผมนะครับตอนที่ผมจะกลับผมก็เดินผ่านเ้านะครับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่ ส, สี่เขาก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกกับผมว่าเพื่อนหน่อกลับไปเือนมนุษย์แล้วอย่าลืมนะทําบุญให้เราด้วยเพราะว่าเรากินมีกินไม่ครบมือผมก็ผมก็ตอบรับทุกคนนะครับไอคนที่หนึ่งต่อคนที่หนึ่งบอกอย่างนี้นะคนที่สองก็ยกมือขึ้นมานะครับ เขายกมือซ้ายขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนเราด้วยนะทั้งหมดสิบคนก็ให้ผมทําบุญหมดนะครับผมก็นึกในใจว่าไอ้เพื่อนผูกนี้ยังไม่ตายเลยนะฮะอาจจะให้เราทําบุญได้ยังไงผมก็คิดว่าเมื่อผมกลับเป็นมนุษย์แล้วผมไม่ต้องบอกให้เข้าทําบุญทุกคนนะฮะเพราะว of the ่าเข้าเป็นนายทหารยอสงสูงก็คือพันเอกนั่นเองนะฮะพันเอกพันเอกพิเศษนั้นเพราะนั้นก็ไอ้เรื่องการทําบุญก็คงไม่มีปัญหาอะไร เสร็จแล้วผมก็เดินมาขึ้นนะครับแผ่นแก้วของผมแผ่นแก้วก็ขึ้นที่ลงไปสวรรค์ชั้นหนะึ่งที่สวรรค์ชั้นหนึ่งผมก็เจอเพื่อนผมอีกอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้ก็ลักษณะก็เป็นคนที่พูดจาป๋งผางแล้วก็รู้สึกว่าพูดจาไม่เพลาะนะครับนะครับเมื่อเวลาผมเจอเขานะครับผมก็บอกว่าผมกำลังจะจับไปมือมนุษย์แล้วนะครับ เขาก็ตอบว่าบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาอี่โต๊ะมานั่งก็ไม่มีนะครับอาหารการกินก็ลํำบากถ้าหากว่ากล้างๆนะครับนมิมนตนี่ไม่ทาขึ้นไปเขาก็ไม่มีกินนะแต่ยังยงแต่ก็ยังดีนะที่เขาได้ขึ้นมาอยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนะฮะไม่อยู่ในนิมนโลกเขาก็เขาก็พอใจแล้ว เขาก็ถามผมบอกว่าไปไหนมาผมบอกว่าผมไปเที่ยวสวรรค์ชั้นยี่สิบเจ็ดมานะครับตอนนี้ขุมมันจะกลับนะครับเขาก็บอกว่าเพื่อนอ่ะที่ชื่อพันโทวยลพงศ์เนี่ยนะครับใจดําไม่ยอมเอาบันไดพาดลงมาให้เขาถ้าเขาพาดขึ้นมาลงมาข้างเนี้ยชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็ขึ้นไปข้างบนได้เขาจะได้มีที่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่มีเก้าอี้ไม่จะนั่งเขมือเดินมาเนี่ยเมื่อยนะเขาก็อยากจะให้เพื่อนเขาเนี่ยนะครับ พยายามส่งเสียงเรียกให้เพื่อเนี่ยฮะอาบันไดพาดมาจากสวรรค์ชั้นสองต่อชั้นหนึ่งเขาจะได้ขึ้นไปอยู่กับเพื่อนอีกสิบคนนะครับคราวนี้มันเป็นประเมณกรรมของแต่ละคนนะครับการสร้างบุญกุศลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวลาตายไปแล้วเนี่ยฮะไอ้สวรรค์ที่เราอยู่มันก็แบ่งชั้นกันไปไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ผมบอกว่าข้างบนเนี่ยเขาเร่งผมนะฮะ เขาบอกว่าพรนธิ์เสนอให้รีบกลับนะเดี๋ยวจะไม่ทันผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะครับแต่เมื่อครับพูดผมก็รู้สึกว่าผมกลัวมากนะฮะกลัวทุกไปทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับกลัวเหลือเกินนะครับเขาก็แนะนําให้ผมบอกว่าให้รีบขึ้นมานอนแผ่นแก้วซะในตอนช่วงนี้นะครับผมเดินมานี่เขาเพื่อนผมเนะฮะคนที่11เนี่ยก็บอกว่า เมื่อกลับเป็นเมก ok นุษแล้วอย่าลืมนะฮะทำบุญให้เขาบ้างเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีกินไม่ครบมือเขาว่าอย่างนั้นมผมก็ลับปากคะผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะไอ้เพื่นอนคนนี้มันก็เหมือนกับเพื่อนสิบคนน่ะนะตัวยังไม่ตายเลยทําไมถึงสั่งเราให้เราทําบุญแต่ผมก็ลับปากนะครับเ <c oughs> มื่อผม <c oughs> นอนด้วยแผ่นแก้แผ่นแก้ก็ขึ้นที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะพาผมมาส่งที่โรงพาบาลพระมงกุฎนะฮะ ที่ห้อง609ท่าที่แห่งนี้ผมก็เห็นคนมากขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับผมเห็นคุณแม่เห็นน้องเห็นบุตรภรรยามากันเต็มหมดเลยเขาล้อมเตียงผมนะครับเขาล้อมเตียงผมนะทุกคนสารวณอยู่กับล่างของผมนะฮะพอช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณทุ่มห้านาทีแล้วเมื่อผมเห็นล่างผมก็โดดเข้าใส่นะฮะเพราะว่าดีใจนะครับว่าเราเนี่ย พ้นสภาพของบนสวรรค์มาแล้วแล้วเราเห็นนรกเป็นสิ่งที่หวาดกลัวแล้วก็มันมันมันทุกข์เวทนาเหลือเกินฮนะเราก็เมื่อไปที่สวรรค์แล้วก็อยากอ ย, กอยู่นะเมื่อเรามาที่เมืองมนุษย์เราไม่เห็นล่างเรานอนที่นี่เราก็อยากจะจับมนุษย์เมืองมนุษย์เพื่อเราอยากจะได้อยู่กับเพื่อนๆ เ, เราอยากอยู่กับญาติพี่น้องของเราเครับคราวนี้เมื่อผมโดนเข้าใส่ร่างเนี่ยบอกว่าเข้าไม่ได้ เสียงคนที่เข้ามาส่งเขาบอกว่าถ้าถ้าจะเข้าล่างได้ก็ต้องออกอยังไงก็ต้องเข้าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะบอกให้ผมเนี่ยฮะมาฟังคำสั่งเขาก่อนผมก็ต้องมานั่งฟังคำสั่งเขาเขาก็สั่งผมหลายข้อด้วยกันนะฮะนอกเหนือจากว่าอ่าเข้าล่างแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อตอนที่ผมเดินทางไปสวรรค์นั้นเขารู้ว่าผมเนี่ยนะครับมองไปทางซ้ายแล้วก็เห็น นรกหลายอย่างด้วยกันเยอะแยะมั่งเขาข้สั่งบอกว่าการเล่านั้นให้เป็นเล่าเรื่องไปสวรรค์อย่างเดียวนะครับห้ามเล่าเรื่องไปนรกเพราะว่ามนุษย์มีกิเลสมากถ้าเล่าเรื่องไปสวรรค์แล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าหากเล่าเรื่องนรกเขาไม่เชื่อแล้วก็ไปก่อกรรมทาเก็นมันก็จะเป็นทุกขเวทนาของเขามากเพราะนั้นเขาบังคับให้ผมนี่ครับเล่าเรื่องไปสวรรค์อย่างเดียว ประการต่อมาเขาบอกว่าให้บรรยายเรื่องนี้นะฮะให้กับพุทธศัก์สารสนิกชนแล้วก็ให้เล่าเรื่องนี้ให้กับมาเพื่อนๆญาติมิตรด้วยกันฟังนะครับให้เล่าเรื่องไปสวรรค์เรื่องนี้นะครับอย่างเดียวต่อไปเขาบอกว่าปัจจัยที่ได้จากการบรรยายเรื่องนี้นะห้ามเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวเป็เด็ดขาดนะครับยกเว้นของของตัวเองที่ได้ตามสิทธิ์เท่านั้นเอง นะครับประการสุดสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นใจผมที่ผมเนี่ยไปเห็นบ้านในสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วก็มีความอยากอยู่เขาก็บอกว่าจะให้ไปครับให้ไปอยู่อนุญาตให้ไปอยู่ได้แต่ต้องหลัง16มิย31นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่8มี8มีนาคม2528ถึงวันที่16มิย31เนี่ย เขาบอกว่าห้ามผมห้ามผมตายนะคือห้ามผมมาอยู่ที่นี่เด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีโทษ wizard. เพราะการที่ผมป่วยเป็นโรคไตเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าไอ้โรคไตวายวเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ได้คือเราไม่ไปล้างเลือดพรุ่งนี้ไปลือนี้เราก็ตายเพราะมันหายใจไม่ออกแล้วก็มันจะมีการอเจียนอย่างรุนแรงแล้วก็มันจะหมดแรงไปแล้วก็สิ้นหลมไปง่ายๆครับจึงเป็นเป็นเป็นเป็นโรคอันอตรายบ้างมากเลยนะสำหรับคนเป็นโรคายวาย เพราะ้นเขาก็สั่งผมว่าในช่วงวันที่8มีนาเนี่นะครับสองห้าสองแปดถึงวันที่สิบมิยอสามหนึ่งเนี่ยในช่วงนี้ให้ผมมันยายเรื่องนี้นะครับแล้วก็ห้ามผมตายก่อนมิฉะนนจะมีโทษมากคำว่ามีโทษนทำให้ผมกลัวเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไปอยู่เนี่ยนะครับหลังสิบมยอสามหนี้ผมไปอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามแต่ให้ดูเพื่อนคนที่ส1ดนะครับ ถ้าเพื่อนคนทีสิบแปดตายเมื่อไห่ผมก็ตายบุคนที่สิบสองนะครับดังนั้นผมก็จึงเมื่อรับคําสั่งอย่างนี้ผมก็เลยเข้าล่างนะครับเพราะเขาเร่งผมให้รีบเข้าก็จะไม่ทันเข้าไปอย่างนั้นนะเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หมอบอกว่าผมนี่นะฮะไม่รอดแล้วก็จะออกซิเจนออกจากจมูกนะครับเพื่อจะให้ผมตายอย่างสงบนะครับในช่วงนี้ก็บุตรภรยา แล้วก็คุณแม่ก็พี่น้องก็เข้ามาดูใจครั้งสุดท้ายนะครับผมก็ใช้วิธีเข้าล่างแบบที่เรียกว่านั่งทับนะครับเอาขาซ้ายเนี่ยฮะทับขาซ้ายแล้วเอาขาขวาทับขาขวาเอาตัวเนี่ยฮะที่เป็นโปร่งแสงเนี่ยนะครับทับตัวที่โปร่งทับตัวที่เรานอนอยู่ที่มีรูางพระมงกุฎนะฮะเสร็จแล้วก็เอาคอกับพื้ษสะเนี่ยเข้ากันเอาแขนใจทับแขนใจ แขนขวาต้าแขนขวาเสร็จแล้วผมก็รู้สึกตัวะอมลื้มตาขึ้นมาตอนตั้ก็เป็นเวลาท่าทุ่มห้านาทีตอนนี้แหละครับที่เกิดความก็เราขนึ่งขึ้นเพราะว่าบุตรภรรยาก็ร้องไห้กันกรจองเอาไงแล้วว่าผมเนี่ยตายแล้วผมก็บอกว่าผมยังไม่ตายนะครับเขาก็บอกผมตายแล้วอันนี้ผมฟื้นขึ้นมาผมก็บอกว่าผมได้ไปสวรรค์มา หมอแกก็ไม่ไม่แน่ใจแกก็มาเปิดทุกตาผมแล้วก็ให้ผมเนี่ยครับชี้ชี้หลอดไฟนะฮะไอไอไฟฉายนะฮะว่าข้างล่างหรือข้างบนข้างบนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเช็คประสาทีกทีในการฟื้นขึ้นมาครั้งหลังเสร็จเนี่นะครับผมรู้สึกตัวว่าคล้ายๆกับร่างกายผมเนี่ยฮะคล้ายๆถูกฉีกชิ้นนะฮะมันเจ็บระบบลาไปทั่วเลยนะฮะในช่วงนี้นครับ พว่าเลือดลงมาไม่เดินมาตลอดทั้งหลายชั่วโมงนะฮะตั้งแต่สาสิบจนทั้งถึงทุ่มห้าทีเมื่อผมฟื้นขึ้นมานะครับภรรยาเขาบอกว่าอพ่อรู้ไหมเนี่ยว่าหมอก็ให้ออกซิเจนพ่อบอกไม่รู้แล้วก็หมอเขให้เลือดสองกระปุกรู้ไหมบอกไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แต่ที่แ น, น่คือพ่อเจ็บที่อกข้างซ้ายเนี่ยหมอภรรยาของก็บอกว่าที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหมอกขาปั้มหัวใจฮะตั้งแต่ผมหมดลมไป และหมอเขาปังมหัวใจตลอดทั้งผมเจ็บทัอกนะครับแล้วก็การที่ผมฟื้นขึ้นมาในในในครั้งเนี้ยทําให้ซีกซ้ายนะครับมันชาไปหมดเลยฮะแล้วก็กว่าจะฟื้นตัวได้ก็เป็นเวลาสองสาเดือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หูข้างซ้ายผมก็หนวกด้วยฮะหูหนวกบันนี้ที่ผมขบับบรรยายเนี่ผมก็ยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะข้างซ้ายนะยเวลาพูดตรงฝั่งข้างขวาเมื่อผม <c oughs> ว่าฟื้นขึ้นมานะผมเล่าเรื่องนี้นะครับทั้งแต่แพทยก็นึกว่าผมประสาทไม่ดีก็ต้องพาผมไปเอกสเลหัวใจเอกเลปอดนะฮะตรวจหูตรวจตาแล้วก็ตรวจทางในทางประสาทนะฮะไปที่แผนกจิตเวชนะฮะก็ปรากฏหมอก็บอกว่าผมปกติทุกอย่างนะครับในช่วงนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าผมแข็งแรงมากมีความแข็งแรงมากกว่าที่ผม ก่อนที่ผมจะไปะสวรรค์มานะครับผมเดินได้เหมือนคนปกติเลยนะฮะตอนหลังๆเนี่ยนะครับไม่เหมือนสภาพที่ แ, กแรกกที่หัวห้อยแล้วก็ไม่มีแรงแม้แต่ค้ําทิศขึ้นมายืนก็มายืนไม่ไหวนี่นะฮะดังนั้นเมื่อผมฟื้นขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าอที่ผมไปเห็นนั้นเป็นความจริงเพราะว่าในชีวิตผมนั้น มันมีเรื่องอย่างนี้นะที่ผมเล่มามันต้นๆนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไม่ได้แล้วผมเรียนวิทยาศาสตร์ฮะจากโรงเรียนร้อยจัปรอเขาก็มามาสอนให้ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์แล้วผมเองก็ไม่เคยกลัวผีนะครับตอนเป็นโรงเรียนร้อยผมก็โดดลัวแล้วก็ทำวัดเมืองกุดบ่อยๆกลัวผู้หมดผู้กองมากกว่าก็ไม่ได้กลัวผีเลยดังนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าท้องผีเรื่องนี้มีจริงนะครับเรื่อ ง, อางตาใ้ผม อ่าประสบารณ์ตอนๆแรกที่ผมเล่าให้ท่านฟังนั้นผมไม่ได้คุยให้ใครฟังนอกจากญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มันแปลกมากแต่ผมก็ยังไม่พูดอะไรมากนะครับผมพูดเฉพาะญาติพี่น้องผมนั่นเองผมสั่งให้ภรรยาผมจดชื่อนะครับเพื่อนๆทั้งสิบคนที่เบ็ดคนนะที่เห็นนะครับแล้วผมก็ระบุเลยนะครับว่าเพื่อนทั้งนี้จะต้องตายเดี๋ยบอก ว, ว่าเพื่อน เพื่อนถึงที่ตายแล้วนะผมผมเห็นในฝันชั้นสองก็ให้เพื่อนทำบุญให้มากเพราะว่าเพื่อนไม่มีกินนะครับแล้วเก็ลงชื่อผมผมก็ส่งไปทั้งไปเษนีนะครับทั้งสิบเบคนนะครับพอผมมาทำงานเท่านั้นเองครับเขาก็โทรศัพท์มาด่าผมมาว่าผมก็หาว่าผมเนี่ยเป็นโรคประสาทเป็นผู้อิจฉาเพื่อนฝูงเห็นเพื่อนฝูงมีความเจริญในหน้าที่การงานก็ อ่าอ่าอะไรหาเหตุเพื่อจะไม่ให้เผื่อนเพื่อนเนี่เป็นในพนอะไรเงี้ยฮะไม่ให้ก้าวหน้าที่ราชการเพทั้งที่ผมเขียนไปเพื่อความหวังดีและอีกอย่างผมก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหรือว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนทั้งสิบเอดคนนี่เลยนะครับอันนี้พูดถึงความสัจจริงนะครับแต่เพื่อนเขาก็มองทัศน์หว่าผมอ่าการแก้งนะครับเขานะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผมไปทํางานเขาก็ โทรศัพท์มาแล้วก็โจมตีแล้วก็มาต่อว่าผมอย่างเสียหายนะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนับางคนก็จะลงไม้ลงมือจะมาเล่นงานผมนะครับซิ่งฝวาหวังดีของผมนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยได้รับความทุกข์ทางใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอคติกับเพื่อนๆนะครับเห็นยังไงก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วผมระบุอีกนะครับว่าใครจะตายในลักษณะไหน ที่ผมกล้าเดาได้ก็เพราะอย่างนี้ครับอเพื่อนคนไหนที่ผมเห็นเสื้อผ้าขาดแล้วก็เป็นริ้วรอยของของมีคมผมก็เดา ว, ว่าเขาตายเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ผมไม่ทราบว่าทางดิ่งหรือ ว, ว่าทางลาบนะครับไม่ทราบทางดิ่งทางลาบเพราะว่าเลือดที่เห็นนะฮะมันเป็นไม้เหมือนเลือดมนุษย์นะครับเลือดมนุษย์ที่ไม่เป็นสีแดงแล้วก็มันจะไหลนองเราเห็นเลยนะฮะแต่ว่าไอ้บนโลกบนสวรรค์นั้นเราเห็นเลือดนะัเป็นก้อนสีดๆ แล้วก็ติดอยู่ันเสื้อผ้าน่ยลักษณะคล้าครสีที่มันตาขนพลายเขาใส่กันอย่างนั้นที่นะครับคราวนี้ผมก็ <c oughs> ก็พยายามบอกเพื่อนนะครับบอกให้ทำบุญนะครับสาหรับเพื่อนที่ที่ผมเห็นอีกประเภทหนึ่งก็คือใบหน้านะครับที่ผมสังเกตสีก็สีข า, ขาวซีดๆนะฮะกับสีดำผมก็เตือนเขาบอกว่า เพื่อนจะต้องตายในสมนาะของป่วยตายนะฮะเจ็บตายครับอันนี้ก็หลังจากนั้นมาอีกไม่ทัไหลนะครับเพื่อนๆนผมนะฮะก็ตายทีละคนทีละคนทีละคนตามที่ผมเห็นนะครับพอจะเอ่ยชื่อได้นะครับก็มีนะฮะพันเอกเสถียนตันทภรศาสพันเอกเจริยลงดลนิมิตนะฮะพันเอกนรลงจินดาวัฒนะ พันธตรงวุฒิเอกฮกรันทธาดาแล้วก็คนจุดท้ายก็เป็นพันเอกสมชัยเพียรพักนะครับซึ่งแต่ละคนนี้ก็เลียงบิดาลำดับนะครับแต่ว่าคนที่หนึ่งเท่านั้นฮะที่ไม่ตายเพราะคนที่หนึ่งนี่เชื่อผมนะทั้งสามีภรรยานะครับก็ทําบุญตลอดมีการไปต่ อ, อยุธิวาสเด็จแล้วก็ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ใส่บาตรทุกเช้านะฮะใส่พระวันละอง อันนี้ก็ทําโดยเรียกว่าทำเป็นประจํานะครับก็ทําให้คนคนคนคนที่หนึ่งนี่นะครับลอดตายถึงบัจจุบัครับที่ที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านท่านท่านเชื่อไหมครับสําหรับผมอะผมเชื่อนะครั บ, ร บ, มมรบแล้วผมก็รู้ด้วยนะฮะว่าใครจะเป็นคนที่จะตายต่อไปแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าได้รับการขอร้องจากผู้ที่มีชีวิตอยู่มาให้ผมพูดนะครับ เพาฉะนั้นผมจริงอยากจะให้ขอเตือนท่านทั้งหลายนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับโปรดจะได้ประมาทในชีวิตนะครับขอให้ท่านเล่งทำบุญสร้างกุศลไว้ในชาตินี้ให้มากๆนะครับแล้วก็ในชาติใหม่นะท่านจะสบายนะครับการตายนะครับ เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่ากลัวสาหรับท่านทุท่านที่ไม่เคยตายแต่สำหรับผมนะครับเรื่องการตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตและไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยครับเพราะว่าการตายที่เราทำบุญนะครับเราตายด้วยความสงบและตายด้วยความสบายเมื่อเราหลับไปเท่า น, นั้นเองครับไม่ไม่ไม่เหมือนกับคนที่มีบาปนะครับเวลาตายก็ทุรนทุรายมากครับคราวนี้ถ้าถามผมบอกว่ากลัวตายไหมผมบอกผมไม่กลัวตาย แต่ถ้าถามผมบอกว่าถ้าตายแล้วกลัวเกิดใหม่อันนี้ผมบอกผมกลัวครับเพราะว่าการเกิดใหม่นั้นผมไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้มันเป็นไปตามกรรมของเราเองครับและกรรมนั้นฐานเราทําไว้มากกรรมชั่วไว้มากเราเกิดใหม่แล้วลืมตาใหม่ทีนั้นมันไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนะครับมัอาจจะเป็นเอ๋งเองเองแก้งเอ๋งก็ได้หรือว่าเจี๊ยบเจีบเจ๊บเป็นไก่อกฟาอะไรอย่างนี้นะครับสิมันน่าเวทนามากครับครับสุดท้ายนี่นะครับ ผมก่อนนี้ผมจะยุติการบรรยายเรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่าา3ชั่วโมงนะครับในการบรรยายสําหรับเรื่องประสบการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของท่านทั้งหลายพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดได้มากกว่านี้แต่ผมก็กล้ายืนยันนะฮะว่าโลกสวรรค์นั้นมีจริงนะครับสุดท้ายนี้ ผมข อ, อให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะครับตนใจให้ท่านนะครับได้ประกอบกรรมแต่ความดีนะครับแล้วผมก็ขอวอวยพรให้ท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีและก็สมหวังในสิ่งที่ท่านหวังทุกๆท่านนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการวอวยพรนะครับผมขอให้ท่านจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภะละ สวัสดีครับผม